วัดป่าบ้านตาดโดยคุณนวรัตน์คงไพยบูรณ์วิเวกแวววะแววไก่แก้วกูสายลมผสานอยู่ยอดไม้ใหญ่นกน้อยร้อยร่ำจำเรียงไพร ใบไม้รื่นร่มห่มพื้นดินแดดลอดใบไม้รำไรพื้นไหวเงาราวจะกลืนจะกลื่อนถินร่วงแล้วร่วงเล่าเมื่อลมรินไม่สิน้นสับเสียงสำเนียงลมเิ่วเลื่อนเคลื่อนไหวในความว่างความสว่างส่องสวยัย ในเงาร่มอันหนึ่งอันเดียวอยู่เกลียวกลมเอกอุดมอยู่ในความไม่มีร้อยพันสัมผัสผูกรัดร้อยแต่ใจไม่คล้อยอยังคงที่นอกไหวในว่างอยู่อย่างนี้ร้อยวันพันปีไม่เปลี่ยนแปลง